สิบอธิกรณวูปสมวักหมวดว่าด้วยการระงับอธิกรองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกร457ท่านพระอุบาลีทูลถามว่าภิกษุผู้ประกอบได้องค์เท่าไรหนอแลไม่ควรระงับอธิกรพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์าไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ 1. ไม่รู้อาบัติ 2. ไม่รู้สมุทฐานแห่งอาบัตส 3. ไม่รู้ประโยคแห่งอาบัติ 4. ไม่รู้ความระงับอาบัติ 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัตอุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องค์านี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์ องของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์5ควรระงับอธิกรณ์องค์าคือ 1. รู้อาบัติ 2. รู้สมุดฐานแห่งอาบัติ 3. รู้ประโยคแห่งอาบัติ 4. รู้ความระงับอาบัติ 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอาบัติอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แลควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5แม้อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ 1. ไม่รู้อธิกรณ์ 2. ไม่รู้สมุดฐานแห่งอธิกรณ์ 3. ไม่รู้ประโยคแห่งอธิกรณ์ 4. ไม่รู้ความระงับอธิกรณ์ 5. ไม่ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์5นี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องค์5ควรระงับอธิกรณ์ องค์5คือ 1. รู้อธิกร 2. รู้สมุดฐานแห่งอธิกร 3. รู้ประโยคแห่งอธิกร 4. รู้ความระงับอธิกร 5. ฉลาดในการวินิจฉัยอธิกรอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์านี้แลควรระงับอธิกรองค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรอีกในหนึ่ง อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได้องหา้าแม้อื่นอีกไม่ควรระ ง, งับอธิกรณ์องห้าคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัว 5. เป็นอลัลฉีอุบาลีภิกษุ ผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลรีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรระงับอธิกรณ์องค์หคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. เป็นลัทธิอุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5นี้แหลควรระงับอธิกรณ์องค์ของพิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลีพิกษุผู้ประกอบด้วยองค์5แม้อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ 1. ลำเอียงเพราะชอบสองลเอียงเพราะชังสามลเอียงเพราะหลงสี่ลเอียงเพราะกลัวห้าได้ยินได้ฝังน้อยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลี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 ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หแม้อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ 1. ไม่รู้วัตถุ 2. ไม่รู้นิทาน 3. ไม่รู้พระบัญญัติ 4. ไม่รู้บทที่ตกหล่นในภายหลังห้าไม่รู้ถ้อยคำอันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลีพิกษุผู้ประกอบได้องคหานี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของพิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลีพิกษุผู้ประกอบได้องคห้ควรระงับอธิกรณ์องห้าคือ 1. รู้วัตถุ 2. รู้นิทาน 3. รู้พระบัญญัติ 4. รู้บทที่ตกหล่นในภายหลัง 5. รู้ถ้อยคำมันเกี่ยวเนื่องกันได้อุบาลรีภิกษุผู้ประกอบได้องค์หนี้แลควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลรี ภิกษุผู้ประกอบไดยองค์5แม้อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์5คือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัว 5. ไม่ฉลาดในพระวินยัยอุบาลี ภิกษุผู้ประกอบได่องคหานี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์อุบาลีภิกษุผู้ประกอบได่องค์าควรระงับอธิกรณ์องห้าคือ 1. ไม่ลำเอียงเพราะชอบ 2. ไม่ลำเอียงเพราะชัง 3. ไม่ลำเอียงเพราะหลง 4. ไม่ลำเอียงเพราะกลัวห้าฉลาดในพระวินัยอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้านี้แลควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ไม่ควรระงับอธิกรณ์อีกในหนึ่งอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าแม้อื่นอีกไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์หคือ 1. ลำเอียงเพราะชอบ 2. ลำเอียงเพราะชัง 3. ลำเอียงเพราะหลง 4. ลำเอียงเพราะกลัวหหนักในบุคคลไม่หนักในสงฆ์อุบาีภรีษุผู้ประกอบได้องคหานี้แลไม่ควรระงับอธิกรณ์องค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณ์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 สาลำเอียงเพราะหลง 4. ี่ลำเอียงเพราะกลัว 5. ห, หนักในอามิชไม่หนักในสัตยธรรมอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หนี้แลไม่ควรระงับอธิกรณองค์ของภิกษุผู้ควรระงับอธิกรณอุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์หควรระงับอธิกรณ องห้าคือหนึ่งไม่ลำเอียงเพราะชอบสองไม่ลำเอียงเพราะชังสมไม่ลำเอียงเพราะหลงสไม่ลำเอียงเพราะกลัว 5. หนักในสัทธรรมไม่หนักในอามิ t h อุบาลีภิกษุผู้ประกอบด้วยองหานี้แลควรระงับอธิกรณสงแต่กัน 458หท่านพระอุบาลีทูลถามว่าสงแตกกันด้วยอาการเท่าไรหนอแลพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีสงแตกกันด้วยอาการห้าอย่างอาการห้าอย่างคือ 1. กรรมสองอุเทศ 3. ชี้แจงส สวดประกาศ5ให้จับสลากอุบาลีสงแตกกันด้วยอาการ5นี้แหละสังขราชีและสังขเภทท่านพระอุบาลีทูลถามว่าที่เรียกว่าสังขราชีสังขราชีด้วยอาการเพียงไรจึงเป็นสังขราชีแต่ไม่เป็นสังขเภท และก็ด้วยอาการเพียงไรเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเพศพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าอุบาลีอาคันตุกะวัดนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสำหรับภิกษุอาคันตุกะทั้งหลายเมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุอาคันตุกะทั้งหลาย ก็ยังไม่ประพฤติในอาคันตุกะวัตอุบาลีแม้อย่างนี้แลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภทอุบาลีอาวาสิกกวัตนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสําหรับภิกษุผู้อยู่ประจําในอาวาสทั้งหลายเมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้ว ภิกษุผู้อยู่ประจาในอาวาดทั้งหลายก็ยังไม่ประพฤตในอาวาสิกวัตอุบาลีแม้อย่างนี้แหลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเพทอุบาลีพัตตกควัตนั้นเราบัญญัติไว้แล้วสำหรับภิกษุทั้งหลายตามลำดับผู้แก่กว่าตามลำดับราตรี ตามสมควรคืออาสนะอันเลิศน้ำอันเลิศบินทบาทอันเลิศเมื่อศิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุนวกะทั้งหลายก็ยังพากันกีดกันอาสนะในโรงพัดสําหรับพระเถระเสียอุบาลีแม้อย่างนี้แลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภท อุบาลีเสนาสนวัตในเสนาส น, านั้นเราบัญญัติไว้แล้วสำหรับภิกษุทั้งหลายตามลำดับผู้แก่กว่าตามลำดับราตรีตามสมควรเมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วภิกษุนวกะทั้งหลายก็ยังพากันกีดกันเสนาสนะสาหรับพระเถระเสีย อุบาลีแม้อย่างนี้แหลเป็นสังฆราชีแต่ไม่เป็นสังฆเภศอุบาลีอุโบสถอย่างเดียวกันปวารณาอย่างเดียวกันสังฆกรรมอย่างเดียวกันกรรมน้อยใหญ่อย่างเดียวกันภายในสีมานั้นเราบัญญัติไว้แล้วแก่ภิกษุทั้งหลาย เมื่อสิกขาบทอันเราบัญญัติไว้เรียบร้อยอย่างนี้แล้วพิกษุทั้งหลายทำความแตกแยกกันแล้วแบ่งเป็นกลุ่มแยกกันทำอุโบสถแยกกันทำปวารณาแยกกันทาสังฆกรรมแยกกันทำกรรมใหญ่น้อยภายในสีมานั้นเองอุบาลีแม้อย่างนี้แลเป็นทั้งสังฆราชีและสังฆเภศ อธิกรณวูปะสมวัคติสิบจบหัวข้อประจำวัคภิกษุรู้อาบัติอธิกรภิกษุลำเอียงเพราะชอบภิกษุได้ยินได้ฝังน้อยภิกษุไม่รู้วัตถุไม่ฉลาดภิกษุไม่หนักในบุคคลภิกษุไม่หนักในอามิ t รสงแตกกันสังคราชีและสังคเพศ